การตังธรรมะ้านปฏิบัติขอให้ตั้งใจภาวนาไปด้วยการ ต, าตังธรรมะเวลาไหนตั้งอยู่การตัดขันธาอารมอดีตอนาคตตั้งปัจจุบันทนันแสดงสาระทำอะไร เราให้ไหลรวมเข้าไปสู่ให้ใจข้งเราใจข้งเราดีขั้วผีดถูกอย่างไรในธรรมะจิตแสดงไปเราจะเกิดข้อสงสัยลดเกิดความขึมใจในสิ่งที่เราถูกและสิ่งที่เราคิดเราจะเกิดความงสงสัยติดสายใจถามจากขันที่แสดง ต่อไปหากเราประดับรักไปจะปล่อยใจยลอยลมไปคือในกำหนดที่นี้ที่จะเรนาธรรมะที่ท่าแสดงด้วยจิตั้งเป็นเคยสง่งบุญวายอย่างไรจะสงไปใหญ่นั้นการ น, นั่งฟังพอปวดหลังปวดเอวธรรมะที่ท่านแสดงออกไปพอในมีอทางลวไหลเข้าไปสู่ จิตใจขอ ง, นนขงตนได้เลยเสียข้าพูแต่เด็กเล็กเราควรนั่งฟังมาเด็กผลประโยชน์จากการสดับรักฟังเ่าแต่นิดเดียวเพื่นั้นการฟังธรรมะจึงควรละอารมณ์ที่เป็นอดีตอานาคตฟังจิตใจอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ ทำที่ท่านแสดงออกไปสัมผัสจัตใจของเราหรือไม่อย่างนั้นเราจะกำหนดจิตใจในภาวนาของเราหาใจของเราดูเอื้อเทิดจากอารมณ์คือเอาว่าการทางธรรมะาออการอบรมธรรมะเป็นหน้าที่ภาวนาก็เป็นผลเป็นประโยชน์ จากการทำมำัง เ, มเกิดขั้งศึกช่วยจิตใจในเสียหลักในการสดับรับสังถึงแม้จะไได้ทำรู้ความชราจากการสะดับรับสั่งแต่จิตใจของเราได้เข้าสมาธิได้ี่ดนิพพานนาธรรมะซ้าขัดในธรรมะสม่ำเสมอจิตใจก็เลยได้กาลังจากการสดับรับสัง เพาเราหนังภาวนาพวกเราต่างท่านต่างคนต่างยินดีสนใจมาประพัติปฏิบัติธรรมในในของพระุทธเจ้าขอให้ทุกท่านอุษาพยายามเก็บตามจิตใจที่ชอบพอยินดีมาประพัติปฏิบัติอยากลายวันเวลาที่เรา มาแต่พูดปฏิบัติไปคิดอ่านและพูดคุยกันในแง่อื่นในอย่างนั้นจิตใจก็จะไม่มีวันได้รับความสงบสงบจากการแต่พิสต่ปฏิบัติของตนเพราะทุกคนสนใจเพราะทุกคนตั้งใจว่าจะมาแต่พิสแปฏิบัติแล้วให้ตั้งหน่ตั้งตาแต่พิสปฏิบัติตามความสามารถของตนอย่าไปสนใจสิ่งอื่น ยิ่งการกาไประเทศปฏิบัติตตจิตใจในอย่างนั้นจิตใจจะไม่เข้าแนะ่ในอย่างนั้นจิตใจก็ต้องเสื่มอมโทมลงไปไหลไปสู่เรื่องกระแสทั้งโลกไม่มีความสงบไม่มีความสงดไม่มีความได้รับความสุขความสบายหาตั้งใจความเียรจงังทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เหลือดีใส่ กูบาอาจารย์หรือตัะตายจ้าได้เคยจะทำบรมเพนมาอย่างเอาจิตใจใจทำจรงิงจังผลจึงเกิดขึ้นจากการประปฏิบัติของตนในเปนทุกข์ไม่รับความเดือร้อนจากการเป็นอยู่อาหารของนักปฏิบัติคืออาหารของใจถ้าหากใจไม่มีอาหารคือธรรมะ้ว การอยู Andrew, ่ปาก็เป็นขุมนรกดีๆเพราะอะไรทุกอย่างในเมือนในเมืองในนาแตไลม์จะเริยนหูเรนตาเหม่อนกันคนไทยอันตรายสำหรับจุดูจุดลงแต่ในทั้โลกแต่เป็นอุปกรณ์สำคัญสาหรับท่านูดปฏิวัตจด เพราะความสั่นส ะ, สะหัดเพราะความไม่วุนว่นวายมีอยู่ในป่าปตาจึงเป็นของสําคัญสําหรับการถูกแบบปฏิบัติเพื่อควกับการสั่หัดทางจิตทางใจเราได้ชื่อว่าเป็นพระสรรมวัฏฐานนักปฏิบัติการปฏิบัติของเราย่อดย่อนอย่างไรหรือเสื่อมย่างไรให้เราที่มีทุเชนาะ สอบในจิตในใจของเรา้าปลอยจิตไปลอยลมอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ทันนึงคนวนแถ่ว่าเราต่อตื้นถูกจุดอย่างไรจิตใจที่มีมีสติในมีปัญญาที่มีสุจราตนจะต้องหลวมเ้งออกไปทุกวั น, ท, วนทุกเวลาการประตื้ิะดีดั บ, บ, บ ในเอาใจใส่ไม่เอดฐานแม่อยากจะได้รับความสุขทางจิตทางใจมันก็ดสุขได้ไม่ได้เพราะเหตุว่าใจจะถุกได้ต้องอาศัยธรรมะอาศัยขอวัดปฏิบัติที่เราลงมือแต่ทําบําเพ็ญถึงแม้จะไม่เห็นไม่เสดในขณะที่เราภาวนาอยู่แต่เชื่อว่าขอวัดปฏิบัติทุกอย่าง เป็นสนใหญ่สีนแเรารักษาปลอดภัยบริสุทธิ์ความเพียรเราตั้งใจจะทำมบมเพินเป็นเน็ตเนหนวดเราก็พล่กใจดีใจในทางจะ่ทำมมเฉินพอจิตมาไดรอยไปสู่สัญญาอารมณ์ฝ่ายตับมีาการประทับประคองมีการรักษารรหวางสังบอลอยู่ส ม, ม่ำเสมอ จิตใจในนี้งช่องทางออกไปสังคมเกี่ยวข้องกับอารมณ์ส่วนต่ำแต่ยังอยู่ในระดับดีได้ชื่อว่าตั้งหน้าตับคิปฏิบัติดีอยู่ถ้าแห้งใจอยู่บ่าแต่การแต่ทำมอมเทนด่านสียงสมาธิภาวนาไม่มีลอยจิตใจลอยไปสู่สัญญาอารมณ์หรือสังคมกับความชั่วโดยในชี เมจิลตาตัวว่าเป็นนักปฏิบัติว่าเป็นผู้อยู่ป่าก่างหน้ามาภาวนาแต่ปล่อยใจลอยไปสู่ที่เหนือปัญหาลอยใจลอยไปสู่ขั้นยาอารมณ์ฝ่ายต่ำจิตใจก็ไม่มีวันที่จะได้รับความสงบสงัดได้อยู่ป่าก็เลยไม่มีความหมายนักปฏิบัติแบบนั้น ก็ไม่มีความสำคัญอะไรในตัวและโลกจะสนใจในคนแบบนั้นเรียเหยดุดดเพราะคำที่ในเขาก็ไม่รักษาขอวัดปฏิบัติเขาก็ไม่นำพาแต่ทำบํมเพนวห็นดีสุด้ลยถูกเขาดูถูกเงินชาไาอยู่ต่าเห็นเจองหยุดซ้อน เอาเปรียบเอาละของประชาชนคนและเมืองอยู่จิ้มอยู่นอนอยู่เล่นอยู่เพลนอยู่คู่อยู่คู่ในทางที่ตันที่เสียเราก็เลยคอยเสียไปด้วยคู่บานอายการหรือพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นหตุแ่เขาติถึงงินชาขวดถึงจตดเราคนหนึ่งถึงจนตัวแทน ของพระพุทธจเจ้าเลือยงคุบอาอาจารย์การแต่เช็ดฏิบัติทุกด้านเราต้องตั้งแล่จะทำบำพุนจริงจังไม่อย่างนั้นเขาจะติดสินเงินพาว่าเราเป็นผิดนอกถูกมาอยู่ในโอวานทำละสอนของพระพุทธเจา้าหากเราทุกคนมั่นเชืใจและสึกษาละสอนออตัวอยู่สมัำเสมอ ตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำบำเพ็ญในด้านภาวนาบรรเที่ช่วงไฟเราได้หยุดยึดเอาความดีจากการจากเวลาที่ผ่านไปได้เป็นเน็ดจํานหน่วยคือได้เดินจงกรมนั่งภาวนาใส่กําลังต่อสังสุดใจจากการจูงคิดต่างๆ ท, ทั้ทงมรลาไว้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติก า, จ, า, จ, า จ, จัด จึงเกิเป็นเสี่ยงน้ำจึงเกิดปัญหาออกจากใจไม่หาใจก็เกี่ยวข้องไม่หาใจก็สังคมระวังรักษาหน้าที่ของขอวัประจุบัตรจูบูบาอาจารย์นําพาเรียแมสอนได้ทุกจุงทุกส่วนนอกนั้นความเป็นความปุงของจิเข้าใจ เราได้จากการภาวนาจากการจะทั่มบำชพ็ญปัญญาเกิดขุดขึ้นเจนขึ้นสห็นโทษในเรื่องของโลกและถอนเ้ื่อยไปมีจัญญาขุดขึ้นบอกขึ้นทุกคชนทุกวันความสงบสงัดของจุดนับบันสงบส ง, บสงบัดแนบเนือนลงไป ทุกปานทุกสมัยหยุดนัดดันขยเกตตัวขึ้นสู่ความดีเด่นเห็นอัติจักรไปจากทับเกวในตามตระเปฏิบัติเมื่อเป็ น, นดังการจะ่ทำบำเพ็ญทงตัวก็ไมมีดันยอ่ยอย่อนเวลามีผู้คนมาผูกคุยหรือมีการ ง, งานมาขัดข้อง รู้สึกว่าหนักจิตหนักใจไม่ค่อยดวกไม่สบายในการจะทำบำเพ็ญทางจิตทางใจให้ได้จนเม็ดจนหน่วดมีผู้จะเลือดปฏิบัติย่อมเป็นอย่างนั้นไม่คสวงหาเรื่องต่างๆว่าหยาอยู่จิตใจของตัวให้ฟุ้งให้คลุ้งไปลอยลอยลกจิตเห็นตาร พูดคุยหรือารต้งคมเรื่องอื่นนอกจากการปฏิบัติปฏิบัติทางจิตใจเป็นของใหม่ทั้งผ่นเป็นของควรละเป็นของควรไวในควรยุ่งเหยิงในควรข้อควรให้จิตใจของเราไป้จิดท่องในส่วนนั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติปฏิบัติกันจริงจังจิตคือเซ ปุ่งสร้างกอจสงบเข่าไปยุดคิดในใจลงรวมก็ลงร ว, วมไปความสุขของใจเป็นอย่างไรไปจากค์ัดเจนนี่ก่อปฏิบัติสำหรับหรือสำหรับนักบวชในอย่างนั้นการบวชของเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรซึ่ง โลกเขาควรจะสนจากเพราะเขาเขามาสู่วัดสูวาสู่พระสูเจ้าในศาสนาถูกพูดไปในเรื่องอยิชาปัญหาต่างๆอิาราสาบถนาคาผูดจจเย็แต่ธรรมะธรรมโมยังเกือจากข้อวัดปฏิบัติเกิดจากธรรมวินัยเกิดจากจิตใจที่ตั้งหน้าปฏิบัติเป็นอย่างไร เข า, า, าไม่เคยเดินฟังมไม่เคยเดินยืนรถจากเสียงเขาพ่ะผู้ปขาชิดปฏิบัติบแบบนั้นเขาก็เลยดูถูกนินทาสาทะอยู่ปากเอารัดเอาเรีดของคนอื่นมีแจ่ล้มแต่นอนมีแต่เทษแต่เชนแต่คู่แต่คุยป่าเป็นที่สิดใบล เราเห็นท่านอยู่ป่าเราเลยสับทธาวราท่านอดทนจนท่านต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติที่ไหนได้เมื่อไปเห็นได้ติดตามธรรมธรมโม อ, อะไรที่เกิดจากการปฏิบัติทางใจของท่านไม่เห็นโผล่ออกมาเฮ้ยเราได้สดับรักฟังสักกีแม้แต่ติจึงมิคาพวกเราอย่างนี้เหตุนั้นพวกเราทุกท่านที่ได้ชื่อว่า พระกรรมฐานหรือนักปฏิบัติเจ้าตั้งหน้าตั好好้งตาอุตส่าห์พยายามกำจัดเรื่องวัยยุจิตใจเื่อสายต่าสายที่เหลือตัณหาออกใจจากจิตจากใจวันเวลาไม่ว่าตั้งวันกล้งคืนยืนเดินนั่งนอนอุตสาห์สังวรระวังใจตระ้าบตาคองผู้สืยังไม่ลงไม่รวม ยังมาใดความส ง, งบสงบต่อรื่ออุตส่าห์บริสุทธิ์ธรรมการกิงจจากทิ่นี้ที่า ม, มากรรมฐานบทใดให้ถูกใจว่ากรร ม, มาฐานบทนั้นจะนจําพาจิตใจของเราผูกเอาพื่อปฏิบัติให้เข้าสู่ความสงบส ง, งัดให้ละให้ถอนให้ปล่อยให้วางเรื่องที่เกี่ยวข้อหาได้ผูกใจมั่นอย่างนั้น แล้วตั้งหนาต่างตาไปเริ่มปฏิบัติกันในนอนใจเมื่อเป็นอย่างนี้ศาสเสนอที่เสี่มโทรมลงไปที่เราสงสัย่ามารผลไม่มีเพราะด้วยทวัดปฏิบัติด้วยการจระทาบบำเพ็ญที่ถูกต้องท้องตนเห็นผลไปจากขึ้นในจิตในใจความสงบสงัดที่เราไม่ใชยเป็นเคยมีแต่ต่อแต่ก่อน เกิดขึ้นเินขึ้นความละความถอนความปรงค่องใจสิงเชื่อจุดข้องไรโลกไรสงสารต่างๆละวางไปได้โดยลำดั บ, ดบจิตใจมีคามวามสวา่างสวัยจิตใจมีความสงบเยียดหย็นจิตใจมีธรรมเป็นอาหารอยู่สะดวกอยู่สบายใครเขาจะว่าศาสนาหมดมรรคหมดผลเราก็ไม่ได้สนใจ บบเทาถ้าเราประจักอยู่ในใจของเราที่ประบัตปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของตัวการปฏิบัติปฏิบัติทำขอให้ทุกท่านอุตสาห์พยายามทำกันอย่างจริงจังอย่าไปเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของดียึเติดกว่าการประบัติปฏิบัติทำ ถ้าไปเห็นจริงอื่นเป็นของดีวิเิษการจะพึ่ปฏิบัติธรรมจะย่อหย่อนหรือเสียหา้ไปอยู่ในป่าเป็นพระพออยู่ป่าแต่กายแต่ใจยิ่งวุ่นอยู่ในสันยาอารมณ์ของโลกยิ่งเข้าบ้านเข้าเมืองยิ่งไปในสถานที่ต่างๆแรงลมจิตใจ้นอะไม้รับความสุขความสั่งจากป เห็นที่สุดเมื่อกำลังของที่เหวี่กันแฉะกำลังของฝ่ายตำ่ำมากม า, ายต่กองขึ้นก็จะบึงนจิตดวงใจไปพอแล้วตายตจะกระเดินออกไปจากวัดจากว่าจากต่าจากภ า, ก า, ข า, ขาะหาสาระในการบวชในศาสตรนในดไม่ไดจิตใจเคยวุ่นวายตั้งนอย่างไรก็คป็นอยู่อย่างนั้น ไม่มีการชำระไม่มีการตาษารไม่มีกา ร, ารการะทำให้ดีขึ้นพระพุทธเจ้าหรืกครูบาอาจารย์ที่ท่านนำศาสตร์นามาท่านละท่านถอนท่านปล่อยท่านวางท่านทำตัวท่านเป็นพระโยปา <c oughs> อยู่ทั้งกายทั้งใจไม่ยินดีไม่เฉลินในบ้านในเมือง เปาเลีนแต่า น, านที่หนาเป็้นแต่านที่ท น, น, านาาา่าอยู่บำเพ็คุณงามความดีในปากสะดวกสบายง่ายปากอยู่ในสถานที่อื่นท่านจึงรักปากชอบปากยินดีในตาภาวนาทุกวันทุกคืนเต็มจิตใจของท่านค้นโผลออกจาก ผู้ที่คนตายเป็นพระจึงเป็นผูกประเกิขึ้นมาในดวงจิตของท่านท่านจะเจืปฏิจุัติแด บ, บนั้นท่านจึงเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านจึงนำศาสนาตลอดมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่แต่ตาและจิตใจในภาวนาไ่ต้ังวนรักษาลอยไปตามวิเวกปัญหาเหตเผลไม่มีรันมีเวลา พวกเราอยู่ป่าก็อยู่กันมาเป็นเวลานานแต่จิตใจของเราเป็นอย่างไรให้พากันคำนึงคำนวณถึงใจทั้ ง, งตนว่าจิตใจมันยิ่งบุ่นไปสู่สัญญาอารมณ์ส่วนทั่วส่วนยากอย่างไรเพื่อจะได้แก้ไขเรื่องจิตใจส่วนนั้นให้สงบละ ง, งับเข้ามา ถูกทถูกในจิตใจเมื่อถูกทำถูกในเป็นเื่องรักษาเป็นเพียงห ล, ล่อเลี้ยงจิตใจจะมีวันงสงบสงบมีวันเติโตยเกความสุขความอัธยาให้กระจัดชัดเจนไปกุบก about ปฏิบัต ผูปกบกาปฏิบัติจึงยินดีจึงพอใจในที่อยูงง่สงบสงในป่าในดงเพราะกผ่นเห็นป่าเป็นที่รักษาจิตใจงา่าเราไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ป่าอยู่แต่ตายส่วนใจไหลไปสู่บ้านตัวเลยในวันมีเวลาจะ ทำตัวให้เป็นพระเป็นเมนได้เนี่ยงในีีสมานะคือความสงบสงดอยู่ในป่าจึงเป็นหลุมนาลกเดือดร้อนวุ่นวาย <c oughs> ตาก็อยากดูรูปหูก็อยากสั้งเสียงจมูกก็อยากดมกลิ่นลิ้นก็อยากลินรถอ้กายก็อยากถูกต้องสัมผัส แม้ได้รับความลำบากเดือดร้อนในการอยู่ป่าผู้อยู่ป่ า, า, าท่าจิตใจตายแสละแสลห า, าการมารวมอย่างนั้นมันได้รับความทุ ก, กขาาก์เป็นหลุมนรกดีๆท่าหาอยูป่าต่างหน้าต่างตาภาวนาเห็นว่าสถานที่ทุกใดเหมาะสมสงบสงับหยกเย็ยน เราตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญางสายภายในคือสายจิตใจของเราเป็นเน็ตจหนวยจะเดินจงกมก็ไม่มีบุคคลผู้ใดมาข่อควรวุ่นวายเดินทั้งวันทั้งคืนก็ได้เพราะแต่าน ท, ที่อำนวยให้ไม่มีอะไรมาขีดขวางหรือเบียบเดเบียนรงง่งเงาก็เยเยอยน ลื่นลมในปาาเสียงก็สงบสงบ ด, ดีนี่จะการจะที่นิพพิจารณาทำชำระใจทั้งตนสม่ำเสมอใจที่ถูกชำระซักฟอกใจที่ถูกการสะสางอยู่ทุกวันทุกเวลาใจก็นับวันที่จะหาจากความ ต้งวลวุ่นวายขัดข่องต่างๆใจก็เป็นใจพระใจก็เป็นใจสมณะผู้สงกผู้รังนะในส่วนส่วนลูกเสียงเรื่องราวต่างๆท้ายหนอกออกได้เราจิตเราจิขัดข้องยังไม่ถึงที่สุดยิ้มมุดเมื่อใดเรายังเข้าใจอยู่ในตัวของเราว่าความสงบส่วนนี้เป็นความสงบ จากไม่หวนภายนอกเบ็ดนอนไม่ ใ, ใส่ความสงบขี้แพ้จริงเราก็อมันที่นิจเจนาคนขี่ในใจิตในใจของเราเข้าไปทุกวันทุกเวลาใส่ ใ, ใจรู้สาเหตุที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใจ คนคิดที่นี้ทีนานะมีธรรมะละเอียดเ่าไปเท่าไรการถอดถอนเรื่องความติดข้องของใจก่อ น, นบบรรตกไปหมดไปใจก็ได้รับความสว่างสวัยใจก็ได้รับความเยือกความเย็นนี่ได้เชื่อเป็นพระพระสู่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทรงถือว่าเป็นสาวกของพระ อ, องค์ ก่อิสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีกายก่อปฏิบัติดีกาจใจก่อปฏิบัติดีไม่จิตในศีนกาก่ปฏิบัติดีไม่จิตในธรรมระวังทั้งบอลตัวอยู่สม่ำเสมอผอุตุปฏิตันโนปฏิบัติตรงตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้ามอตาพยายาม จะทำตามโอว่าที่ท่านห้ามอย่าไปล่วงเกินที่ท่านอนุญาตฤทธจะทำบําเพ็ญตามห้ามใจไม่ให้ฤิตกไปในกุศลกระพอบตนให้ตรงตออทำของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือ ว, ว่าเป็นสาวของท่าน ยายาปฏิบันิโนปฏิบัติเคร่อธรรมไม่ปฏิบัติเครืออาณิจึงเดี๋ยวกิจใจจะเป็นธรรมกิจใจจะรู้จะเห็นจะละจะถอนเพื่อปฏิบัติส่วนนั้นอย่างกิจใจจนใจิจใจของตนเห็นจน อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะสอนในวนัฏบุณหรือแวะเียนไปสู่เรียงนอกต่างหน้าตั้งตาปฏิบัติตามธรรมอย่างจริงจังเป็นธรรมปรากฎแต่จากในจิตในใจพระพุษษะทธเจ้าก็ถือว่าเป็นสาวกของพระองค์ ถึงแม้จิตใจยังไม่เตยไม่เห็นอย่างนั้นแต่ตั้งหน้าต่างๆาพระพุทธปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมอยู่ความรู้ความเห็นก็จะเกิดจากเตือนจากเกิด่ากธรรมที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงรับรองว่าเป็นสาวกของพระองค์ฐานีจิปติจันโนปฏิบัติชอบยิ่งในจิตใจ รู้แจ้งเห็นจิตในสิตจควรรู้ควรเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออริยสัปจปัจจักในจิตในใจของท่านจึงจะไม่มีปฏิทาณโมหานไม่มีอธิญญาณส่วนอื่นแต่การละการบําเพ็ญอย่างไรสิพระพุทธเจา้ารู้หรืออริยเจ้าเห็นเราเป็นเรารู้เราเห็นปัจจักพัดเกิในการละการบําเพ็ญ ตามสื่อสุดของจิตของใจก็ได้ชื่อว่าสาธนิสิตติปันโนผู้ปฏิบัติรอบอยิง่งเป็นเรื่องสื่ย่อยส่วนอื่นที่จะไปรู้ไปเห็ น, นเป็นต้นว่ารู้ทิพตาทิพหรือรู้จั ก, จกดักจิตดูใจของคนอื่นส่วนเหล่านั้นเป็นเรื่องสื่ย่อดส่วนความจึงสื่อถ้พูดใช่เจ้า จงสรรลเสริญหรือจงแนะนำอยากให้พวกเราถึงเป็นผู้ทุกขนเข้าใจได้ถี่ก็คือการละการบาเพ็ญให้ถึงจุดลิมุตนิจฐานหาจิตใจของทุกท่านรู้เห็นเป็นงในส่วนนี้จะดำดินดินบนไม่ได้จะขอเห็นนาไม่ได้ก็ตาม จะมีอัจินิาะหรือไม่มีอัญญิฉริยะก็ตามความสุกถึงสี่ขั้นจะต้องเกิดขึ้นในจิตของข่้นผู้บรกบเพื่อปฏิบัติได้ขาดจิตเหนื่อยหมดขาดิตเหนื่อตายถอดถอนทิ่เหนือให้ออกจากจิตจากใจจิตบริสุทธ์อย่างไรไม่จิดข้องในความบริสุทธิ์ของนอตน ส ม, มุดทั่วไปในโลกไม่เข้าไปถึงอยู่ในโลกในเกี่ยวข้องไม่ติดข้องในโลกพบชาติข้างหน้าจะมีอีกอย่างไรเข้าใจชัดเจนเพราะความบริสุทธิ์ท้องตนคือในจิตในอารมณ์สัญญาในจิตในกิเลสกัญหาในจิตในความบริสุทธิ์ท้องตนแต่จากชัดเจนในจิตในใจที่ ได้รู้ได้เห็นเพราะชาติขาดจะเดินเพราะจิตหนึ่งมีการโยกข่องไม่มีการยิดถือกับความจริงทุกสิ่งอริยสัจสี่จนจนว่าทุก์สมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นอริยสัจเป็นของ้งสี่แต่จิตที่บริสุท ก, ก็เป็นของจริง ในใจอริยศัปจประจับขัดในการต่อเชืปฏิบัติของตนในชื่อว่อาการปฏิบัติของเราถึงจุดมุ่งหมายอยู่ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนการกับเชืปฏิบัติทางเดียวเทนั้นที่จะทําพวกเราขั้นให้เป็นผู้ประเสริฐนิสัยได้และใช่เรื่องอื่นที่จะทํา ให้จิตใจถึงความบริสุทธิ์ถ้าเรื่องอื่นรูปเสียงต่างๆภายนอกทําจิตใจให้บริสุทธิ์ได้เราถ่ายคิดคิดวิจัยนาเรื่องภายนอกซึ่งออกไปจากวงคำเท่าไหร่จิตใจก็จะได้รับความโปร่งใสจิตใจก็จะได้รับความเย็นเย็นเท่านั้นนี่ในเป็นอย่างนั้นยิ่งคิดอารมณ์มากเท่าไหร่ จะยิ่งวุ่นวายในจิตในใจยิ่งได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขความสบายในได้คนที่อารมณ์มากเท่าไรคนนั้นเป็นเจ้าทุกทางใจนั่งอยู่ก็คิดนอนอยู่ก็คิดหลับไปก็ฝันบางทีจนนอนไม่หลงหลับแก่ตาใจยังฟุ้งยังคิดฟุ้งอยู่ทุกการทุกเวลาหาความสงบสบายในได้ คนอารมณ์มากเป็นอย่างนั้นท่านจึงให้ทีนี้พิจารณาเรื่องของคำตาระสัจสางเรื่องสัญญาอารมณ์ภายนอกออกจากใจอย่าเตยมั่นสาคัญหมายอะไรทั้งหมดให้ทีนี้พิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าสัจสางดูอย่างนั้นจิตใจก็มีวันจะเบาจะสบาย จะสว่างสวัยจะหลุดจะลอยออกไปจากสมุดไม่อย่างนั้นอยู่ปาก <c oughs> ก็ไม่เป็นปัญหาเกิดเป็นพระเป็นเมนีนเป็นนักบวชก็ไม่เป็นปัญหาเพราะทําทเอาได้แต่งเอาได้อง่ายแล้วหลุดออกไปอง่ายถ้าที่เราโน้มเราหมผมจะงอกกว่ายาวขึ้นได้ถ้าไม่โคน เห็นทั่วไปผู่นักบวชในมีคำด้วยในในมีจิตมีใจเป็นหลักเป็นฐานจุดหาลาโออกไปนับไม่ได้ก่อพอใจวุ่นวายก่อพอใจผัดข่้องข้อ่อใจเตาสะสมเรื่องภายนอกให้เดือดร้อนเป็นเถิดซะเถิดเนเเถิดนักบวชเป็นของซื้อของเขา ไค่พอใจจะอยู่ในวัดนม่พอใจจะปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมแต่เลยอยู่ในเขตของธรรมะไม่ได้ตายเป็นฆราวาดไปนี่พอใจจิตล่อยไม่รักษาไม่ตั้งมันไม่ระวังเราทุกคนที่มุ่งหน้ามุ่งตามาปฏิบัติขอให้ตั้งจิตตั้งใจท่องสอนคิดนึกพิจรณาธรรมะของพระพุทธเจ้า ผึกนอบรมจายใจท่องตนอย่าเป็นคนลอยจิตปล่อยใจให้ค้าเข้ากับสัญญาอารมณ์สายตับตั้งหน้าตั้งตารักษาระวังสังบรตามขีนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเราปฏิบัติถูกรักษา จิรักษาใจเราไว้ไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะพวกพันเรื่องนอกตงหน้าต่างตาตาสางร่างจิตอยู่สม่ำเสมอไปจิตใจก็จะได้รับความผ่องใส จ, จิตใจก็จะได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเราเห็นเหตสมณะเหตของนักบวชเป็นเหตุี่ปื่นเต้เป็นเหตุที่ยเตศ การเป็นสมณะการละตัวบำเพ็ญดีมีความประจําตัวเป็นความสุขเป็นจิตตาชนะเป็นทีตปราบนะราิ่มจิตใจยื่งกว่าได้จริงอื่นในโลกท่านจึงมีอายุยืนยงคงอยู่สละชีวิตอุชิในสมมตจัน์คือการประเพื่อปฏิบัติพวกเราทุกคนขอให้สนใจ แต่ทำบำเพ็ญตามยอย่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนหรือทำด้วยในที่บอกไว้เมื่อตั้งใจจะทำำําบําเพ็ญอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็จะได้รับความรู้ความเห็นความเป็นจากการแต่ทาบําเพ็ญเพราะเหตุถูกผลก็จะต้องได้รับถูกตามมา เรื่นั้นการปฏิบัติกายปฏิบัติใจที่เขาให้ชื่อว่าเป็นพระสมมตฐานหรือเป็นนักปฏิบัติขอให้ทุกท่านตรวจตาเรื่องของตัวอยู่สม่ำเสมอว่าเราที่มีชื่ออย่างนั้นกายใจใจเขาขวกเราท่านเป็นอย่างเขาสมมุติให้ด้วยอย่างถ้าตรวจตาอยู่อย่างไรนี้ ก็จะเป็นพระเป็นทีเป็นผู้ดิผู้ดีขึ้นทุกการทุกเวลาในอวสานการอธิบายธรรมะข อ, อนับปฏิบัติทุกท่านย่งไปศพความสุขความเจริญสมตามความมุ่งมา่ปรารถนาโดยเทวน่ากันเถรเทวัง